ทีนี้อันนั้ฟันเนื้อถ้าถ้าเนื้อเนี้ยงองแงมีปัญหากล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อทุกส่วนมีปัญหาหมดเอ็นมีปัญหากระดูกมีปัญหาเ <The rest of the world> ยื่อในกระดูกมีปัญหาตับตไตไส้ปอดเป็นต้นพ <The rest of the world> วก น, น, น, นี้ถ้าเริ่มบินเหล่านี้มีปัญหาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะอันนันนี่มลทาได้แล้วเนี้ต่อไปอันนั้ น, น, นถ้าธาตุน้ำมีปัญหาเช่นอาโปธาตุกาเริบอะไรจะเกิดขึ้น ก็าตายถ้าเตโชธาตกรรเริบสมมุติถ้าร่างกายของเราเนี่ยนะสักความร้อนขึ้นสักห้าสิบองศาเปาน็นยังไงโอ้ยตายตั้งแต่สี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมถ้าขึ้นถึงห้าสิบนี่ตายตั้งนานแล้วเหมงอนันแล้วก็ถามว่าแล้วธาตุลมอ่ะทางธรรมะก็บอกว่าลมตัดคั้วหัวใจได้ขาดเนี่ยนะก็คําว่าตัดขั้วหัวใจขาดนี่หมายความว่าอะไรเช่นมัน เครียดมากหรืออะไรนะมันบีบจนเส้นเลือดมันแตกะนะเส้นเลือดแต่ที่ขั้วหัวใจมันแตกเป็นต้นอนะมันสู่ซะจนขาดหมดอะนะเส้นเลือดแตกเป็นต้นเมื่อ น, นั้นก็จุติเพราะฉะนั้นธาตุลมนี่มันแรงธาตุดินมีปัญหาก็าตายธาตุน้ํามีปัญหาก็าตายธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นมีปัญหาก็าตายเมื่อตายไปแล้วถ้าตายสักสองวันจะเป็นยังไงนะสองวันสามวันเรียกว่าป่าชาเก้าวในที่สุด ในที่สุดจริงๆเราไปวัดเนี่ยก็เห็นเลยใช่จริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่านี้ขนาดพระพุทธเจ้ายังเหลือแต่พระาธาตุให้กราบให้วายแล้วคนอื่นจะเหลืออะไรบ้างอ่ะเว้ยเขาไปปล่อยตั้งนานแล้วนะเขาลืมตัดวัตถุเวียนทิ้งหมดไม่มีใครตามกราบตามไหวอะไรโรอกนี่ยนะในที่สุดก็เหลือแต่กระดูกที่ในที่สุดก็แหลกเป็นผุยผงเนี่ยนะแหลกกระดูกเป็นผุยผงนี่คือชีวิตความเป็นไปของรูประคัน นันคนที่เจริญกายานุปัสนาสติปฐานจะไม่มีถ้ามีสติจริงก็ไม่เผลออย่างนี้ไม่เผลอว่ากายจริงๆสภาพแห่งกายที่แท้จริงนั้นเขาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งกวงไม่ควรถือมั่นฐานสมมติรูปประขันเนี่ยนะถ้าเราถือมั่นตามเห็นว่างามอยู่เสมอ มันจะงามได้จริงอย่างที่เราตามเห็นไหมบักไม่เห็นเพราะไหนไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ตามเห็นตามเป็นจริงเธอความจริงเขาเป็นอย่างไรก็ให้พิจารณาเป็นอย่างนั้นเถอะพิจารณาตั้งแต่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะเวลานั่งมองนั่งคิดถึงเรื่องของตัวเองปั๊บเนาะคิดถึงว่ากระดูกแหลกเป็นผงเรียบร้อยแล้ว นะนะสมมติผมจะกระจายไปอยู่ที่ไหนนะเล็บจะกระจายไปอยู่ที่ไหนฟันจะกระจายไปอยู่ที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างกระจายอยู่ที่ไหนเนะนาะขณะอุจจาระปัสสาวะนี่ก็ยังไปเรี่ยราดไว้ทั่วประเทศหมดเลยนะใช่ไหมเอาเข้าไปห้องน้ําไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมกระจายไว้ทั่วไปหมดทั้งโรงเรียนนะนี่ส่วนหนึ่งนะแล้วแบบอะไรนะเช็ดล้างผิวหนังเป็นต้นเนี่ยนะหนังก็โอ้ยลอกไปทั่วไปหมด อาบน้ำที่ไหนก็ลอกผิวหนังทั่วไปหมดนะนะแปลงฟันนะนะแปลงกระจัดกระจายทั่วไปหมดในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็กระจัดกระจายถ้าตั้งคำถามว่าเราคิดแบบเรากับคิดแบบพระพุทธเจ้าตามเห็นแบบเรากับตามเห็นแบบพระพุทธเจ้าต่างกันตรงไหนต่างกันมากพระองค์บอกว่าถ้าตามเห็นโดยวิธีที่พระองค์สอนทั้งสิบสี่วิธีจเจริญ น, นั่งเราวรลมหายใจเป็นเบื้องต้น กระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดถ้าตามเห็นอย่างนั้นพิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแห่งกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมแห่งกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมแห่งกายบ้างอยู่ในอิรยาบททั้งสี่อย่างนี้ได้ถ้าเจริญตามนี้ได้พระองค์องบอกว่าจัะทํา อนาคามีผลแอบก็บอกว่าอารหัตผลในปัจจุบันถ้าไม่บรรลุอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีคือขอให้เจริญอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเพราะนั้นคือผลของการเจริญตามพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อทําอริยมรรคเพื่อเจริญอริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง น, นะอันนั้นคือการถ้าเราคิดตามพระพุทธเจ้าเราต้องมา ชีวิตจริงเราต้องมาสังเกตใส่ใจเลยว่าถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าดีอย่างไรถ้าคิดแบบเรานี้เสียหายตรงไหนถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้เรียกว่าคนมีสติกนะแต่ต้องมีข้อมูลให้พร้อมก่อนนะมีข้อมูลให้พร้อมก่อนว่าถ้าคิดแบบเราแล้วเป็นยังไงเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าแล้วจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปอย่างไรถ้าเราไม่เจริญตามพระพุทธเจ้าจบลงที่ไหนถ้าเจริญตามพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไร น, นะหรือว่าวิธีพระพุทธเจ้าดีไหมเป็นต้นเนี่ยเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรามีสาระไหมทำมังสารนังคาชามีเราขนาดไหนเราทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าขนาดไหนแล้วเรายอมรับแค่ไหนว่าผู้ที่เจริญตามนี้เขาทำที่สุดแห่งทุกได้ ในเบื้องต้นทําได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเรายอมรับเราเข้าใจเร า, ราเราพยายามที่จะคิดตามท่านไหมเราโอนไปหาท่านไหมหรือว่าให้ท่านโอนมาหาเร า, เานะแตเราก็ต้องโอนไปหาท่านก่อนเพราะวิธีของเราศึกทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเราก็ยังเฝ้าขันห้าอยู่ตามเดิมของเรานี่แหละเลี้ยงดูขันห้ายิ่งเลี้ยงดูยิ่งเดือดร้อน ตอนแรกก็ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็ไม่ได้สูงเท่าตอนหลังอ่ะตอนหลังยิ่งยิ่งเลี้ยงยิ่งสูงเหมือนกันเดียยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะขันห้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นพารานะท่านบอกว่าพาราฮาเวปันจักขันธานเนี่ยนะขันห้ามเป็นภาระเนอะพาราแปลว่าวของหนักแบกดูเถอะคนละห้าหกเจดสิบกิโลเนี่ยนะแบกขึ้นแบกลงแบกเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะโอ้ยทําไมออกกําลังกายจะยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้อ่ะนะ แต่ยิ่งทําเน่นอนสบายบายเนี่ยนะจริงอยู่ชั่วโมงแรกอาจจะสบายก็นอนไม่ขยับสัก3าสามอาทิตย์ดูจะเป็นยังไงไม่ถึงรอแค่วันเดียวนี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะต้องไปถึงอาทิตย์ที่สามอะไรรอเพราะนั้นขันห้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็มาพยายามคิดว่าถ้าเจริญตามพระพุทธเจ้าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะทีนี้เราเรามีความตั้งใจแค่ไหนชาตินี้เราต้องเห็นแบบที่พระพุทธเจ้าเห็นจนได้ เห็นลมหายใจเป็นเบื้องต้นเห็นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดจะต้องปรับปรับทัศนคติตามพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ให้ได้วันวันหนึ่งโน้มตามโอนตามน้อมไปที่จะปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจถ้าปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจนี้เรียกว่าปรับสัมมาทิฏฐิให้เป็นไปตามนั้นเมื่อปรับสัมมาทิฏฐิปรับความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้วก็เจริญตางอย่างที่เข้าใจ ให้ความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นชีวิตจิตใจที่แท้จริงเป็นชีวิตจิตใจที่มีความรู้เหล่านี้ชีวิตที่ดำเนินไปตามความรู้เหล่านี้อันนี้เป็นเป็นการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะก็เป็นกายานุปัสนาได้ได้อย่างยาวและต่อเนื่องถ้าเราปรับความรู้ความเข้าใจสำเร็ จ, จเจริญได้ตลอดรอดฝังแน่แต่ถ้าเราปรับความรู้ความเข้าใจไม่ได้เชื่อเถอะเจริญไปเดียวก็เลิกนี่นะ คนที่สอนก็ไปคอยขอร้องเจริญเอิมดีนะอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็คอยอ้อนวอนกันอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่น่ารําคาญที่สุดดังนั้นในชั้นแรกในการศึกษาพระธรรมเราพยายามมาปรับความรู้ความเข้าใจว่าที่สุดของการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนวิธีการเจริญมีกี่วิธีแต่และ ว, วิธีเจริญว่าอย่างไรเจริญแล้วดีอย่างไรเจริญแล้วให้ผลเป็นอย่างไรเมื่ อ, อไหร่ นะถ้าจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่เป็นอย่างไรถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายอย่างไรถ้าไม่เจริญปกติเราก็เจริญของเราอยู่แล้วอะเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายแค่ไหนถ้าเราเจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วดีอย่างไรปรับความเข้าใจตรงนี้ให้เพียงพอเนี่ยเพราะโอกาสที่เราจะเจริญได้วิธีการเหล่านี้ท่านบอกว่า e เอกายโนนะเอกายโนมัคโคอายังพิคเวสเนี่ยนะ เขาบอกว่าเอกายโนเนี่ยนะบอกว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเนี่ยแปลว่ามีในาศาสนานี้าศาสนาเดียวเนี่ยนะถึงลัทธิอย่างในวงการแพทย์เขาก็พิจารณาเรื่องผมขนเล็บฟันหนังวิจัยอย่างละเอียดแต่วิจัยเพื่อวิปลาสนะเพื่อส่งเสริมวิปลาสอย่างมันก่อนเขามีนักดองศพเข้ามาบอกว่าเขามีนักเขามีศพที่ดองแล้วเนี่ยนะวิจารณศพแล้วอะ เป็นยี่สิบสามสิบปีความงามก็ยังเหมือนเดิมแม้ว่าเหมือนเพิ่งตายเนี่ยน ะ, ะมีศพเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะที่ที่แบบตายมากี่ปีแล้วก็ยังดูดีเลยนะยังเหมือนกับเพิ่งตายอีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นอายุพอมากพอสมควรแล้วแล้วก็ได้รับการดองอย่างดีนะแบบเหมือนกับว่าเพิ่งหละเหมือนกับว่าเพิ่งตายว่างนั้นนักดองศพทั้งหลายก็บอกว่าแมสไฟฟันเลือเกินม่อยากจะฝากผลงานแบบนี้ไว้สักชิ้นหนึ่ง อันให้คนตายอยู่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเป็นความใฝ่ฝันของการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเพื่อให้เห็นความเป็นให้ดูศพเนี่ยงามที่สุดเท่าที่จะงามได้แสดงว่าวิชานี้ไม่ได้ส่งเสริมอะไรส่งเสริมวิปลาสอย่างเดียวเพราะาแม้แต่ศพก็ยังให้ดูดีดูงามแล้วก็งามตลอดใจเนี่ยนะก็สนใจอยู่แค่นั้นน่ะแม้กระทั่งเรียนเรื่องโลกผิวนางเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็เพื่อเพื่อส่งเสริมวิปลาส วิชาชีพเราก็ยอมรับแล้วนะว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นอะไรไปแต่โดยพื้นฐานทัศนคติจริงๆก็เพื่อส่งเสริมวิปลาสเนี่ยนะเมื่อส่งเสริมวิปลาสแล้วถามว่าจบลงที่ไหนก็ชาติชรามรณะโศกะประิเทวะพันถ้าตัวเองส่งเสริมเท่าไหร่ผู้นั้นก็ติดในรูปเท่านั้นบูชารูปเท่านั้นผู้ใดที่ติดข้องในรูปถามจริงว่าโลกนี้เนี่ยนะความทุกข์ทั้งมวลถ้าไม่มีรูปจะมีทุกข์ไหม ความทุกข์สารพัดเรื่องเลวร้ายสารพัดความปัญหาสารพัดปัญหาเนื่องจากรูปทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีรูปไม่มีทุกข์แต่เนื่องจากมีรูปนั้นจึงมีทุกปัญหาทุกเรื่องเนี่ยนะเอาเหอะคิดดูเถอะไม่มีพ้นรูปประคันแม้แต่อย่างเดียวเกิดจากรูปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยถามว่านรกคืออะไรนรกก็คือ ท, ที่ที่มันเตโชาธาตมันมีกําลังมาก วาโยธามันมีกําลังมากไอหอบดาบคมเหลาเป็นต้นก็คือปฐวีธาตุมันก็คืออนุภาพของดินน้ำฝอยลมผู้ใดติดข้องในดินน้ำฝอยลมผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ขั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการที่เจรนาการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความสลัดคืนในปฐวีธาตุเพราะรู้ว่าติดข้องในปฐวีธาตุคือติดข้องในกองทุกข์ ติดข้องในอาโปธาต์คือติดข้องในกองทุกติดห้องในเตโชธาต์คือติดข้องในกองทุกใช้คําว่ากองเลยนะไม่ใช่ทุกเดียวแสดงว่ามีเยอะมีท่วมทับไปหมดเลยเนะติดห้องในวายโยธาต์ก็คือติดข้องในกองทุกขทีนี้ถามว่าถ้าจะพ้นทุกข์เขื่ออะไรก็ปฏิเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อการคลายกําหนัดหรือสละคืนปัตตวีธาต์สละคืนอาโปธาต์สละคืน วาเตโชธาสละคืนวายโยธาได้ถ้าสละคืนได้ก็พ้นทุกข์ได้สละคืนได้นั้นทมเป็นที่สละคืนของธาตุสี่จริงๆก็คือความดับปฐวีธาตุความดับเตโชธาตุวายโยธานั้นผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์คือใครอนนะผู้ที่มีปัญญาก็คือรู้เหตุเกิดรู้ความดับ รู้อัฏฐารู้อาทีนวะและก็รู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่ผู้นั้นจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะก็มีหลักการอยู่อย่างไงในจุลนิเทศนี่บอกไว้เลยรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัฏฐารู้อาทีนวะรู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่นะมหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยอะไรก็ดินน้ําไฟลมใช่ไหมดินมีเท่าไหร่ดินยี่บอโปลสบสองเตโชเวยวหก อันนี้คือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วธาตุดินน้ำไฟลมเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาเกิดธาตุดินน้ำไฟลมจึงเกิดนะแต่ดินน้ำไฟลมในเชื่อเถอะดินน้ำไฟลมในโลกนี้นะที่กายยาวานาะคือปางศอกของเรานี่แหละเราสนใจที่สุดเรารักที่สุดหวงแหนที่สุดให้ความสําคัญที่สุดไอด้ดินแผ่นดินทวีปอื่นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกี่หมื่นตารางไมล์ก็ช่างแต่เราไม่สนใจเท่ากับไอยาวานาะคือปางศอกอะไรของเราเนี่ยเรา มันก่อนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะตายไปทั้งอะไรนะสับตายไปทั้งหลายตัวเนี่ยนะแล้วก็ภูเขาไฟมันจะระเบิดขนาดนั้นเราก็ไม่สนใจเท่ากับสิวเราแตกอันเดียวรอกเนี่ยนะสิวถ้าแตกอันเดียวเนี่ยเราถือว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายเ น, นี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าความสําคัญในกายภายในเราให้ความสําคัญเยอะมากแล้วเหตุเกิดของกายเราเนี่ยคืออะไรอะไรเป็นเหตุเกิด อวิชาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะตันหาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะกรรมเกิดเนี่ยนะกรรมนี่แหละที่แต่แต่งให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันรู ป, ปรกายที่แตกต่างกันก็เพราะกรรมนั่นแหละเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดรู ป, ปรกายเหล่านี้เกิดแล้วก็อาศัยกรรมอาหารอาศัยอวิชาตันหากรรมและอาหารแล้วก็กายเอ่อกายเหล่านี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับอันนี้เป็นความเกิดของกาย